วิศวกรและคนขายบหมีเกี่ยวกับเรื่องราวสยองขวัญในหอพักสัมผัสสยอง ขอเกริ่นนำก่อนนะครับเรื่องนี้ผมได้รับฟังมาจากติวเตอร์ที่เรียนพิเศษแห่งหนึ่งและมีชื่อเสียงแถวสยามเมื่อครั้งสมัยผมอยู่มสี่ซึ่งตอนนั้นเป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบติวเตอร์ท่านนี้จบวิศวกรรมโยธาสอนวิชาคณิตศาสต ร, รม์มสี่ซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเรียนอยู่แต่ปัจจุบันผมก็ประกอบวิชาชีพนี้เหมือนกัน และเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับเพื่อนของติวเตอร์ท่านนี้เองซึ่งต่อไปจากนี้ผมจะขอเรียกแทนชื่อของเพื่อนติวเตอร์ท่านนี้ว่าวิทย์เรื่องอยู่ว่าพอวิทย์จบใหม่ก็ไปทำงานเป็นวิศวกรโยธาคุมหน้างานที่จังหวัดแห่งหนึ่งแถวภาคกลางตอนบนควบคุมงานก่อสร้างอาคารสานักงานของหน่วยงานรัฐ ด้วยความที่ต้องมาทำงานต่างจังหวัดซึ่งไกลบ้านจึงต้องพักแถวที่ทำงานในบริเวณไซต์งานซึ่งก็จะมีบ้านพักชั่วคราวให้อยู่แล้วแต่ด้วยความอึดอัดไม่อยากอยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากเกินไปและอยากอยู่ใกล้ย่านชุมชนด้วยก็เลยมาหาที่พักข้างนอกแทนจนมาได้ที่พักเป็นอาพาร์ตเมนต์ใกล้ๆตลาด ข้างหน้าของอาพาร์ตเมนต์มีร้านลดเขียนบะหมี่เกี๊ยวอยู่หนึ่งร้านซึ่งเปิดโต๊ะรุง่งคืนแรกที่เข้าพักวิทย์ก็แวะกินมื้อเย็นที่ร้านบะหมี่เกี๊ยวซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วเมื่อเดินเข้าไปในร้านวิทย์ก็สั่งบะหมี่สองชามครับหลังจากที่กินเสร็จแล้วก็เดินไปจ่ายเงินอาแป็กก็ทักขึ้นมาว่า กินคนเดียวสองชามเลยนอ้หนุ่มไม่แบ่งให้แฟนเลยผมมีแฟนที่ไหนมาทำงานไกลขนาดนี้พวิทย์พูดจบต่างคนก็ต่างหัวเราะ ก, กันหลังจากนั้นวิทย์จึงกลับขึ้นห้องพักซึ่งอยู่ชั้นสามแล้วอาบน้ำดูทีวีและล้มตัวปิดไฟนอนแล้วในคืนนั้นก็ได้มีเสียงประหลาดเกิดขึ้น มันดังแบบไม่มีจังหวะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวติดกันแต่วิทย์ก็ไม่ได้คิดอะไรนึกว่าเป็นเสียงเครื่องปรับอากาศจึงหลับตานอนต่อคืนที่สองคืนนี้วิทย์ตื่นขึ้นกลางดึกเพราะว่าเสียงลึกกลับดังกล่าวได้ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้นอกจากมันจะไม่เป็นจังหวะแล้ว มันยังเคลื่อนย้ายไปรอบๆห้องอีกด้วยจนบางครั้งเหมือนไม่อยู่ข้างๆบ้างก็อยู่ปลายเตียงจึงลุกขึ้นมาเปิดไฟภายในห้องพยายามหาที่มาของเสียงให้ได้แต่เสียงนั้นกลับหายไปแล้วแล้วเขาก็สรุปได้ว่า มันไม่ใช่เสียงแอร์แน่นอนคืนที่สคืนนี้วิทย์ตั้งใจว่าจะไม่นอนเพราะจะหาที่มาของเสียงให้ได้เลยเปิดไฟทั้งหมดทั้งห้องนอนและห้องน้ําแล้วดูทีวีซึ่งเขาก็ตั้งใจว่าจะต้องหาที่มาของมันให้ได้จนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงตีสองแต่ก็ไม่มีเสียงลึกลับนั้นเกิดขึ้น เขาจึงถอดใจแล้วเตรียมตัวนอนวิทย์ลุกเดินไปปิดไฟที่ห้องน้ำก่อนทันใดนั้นเองเสียงประหลาดก็ดังขึ้นมันดังบริเวณใต้อ่างลางหน้าในห้องน้ำวิทย์วิทย์จึงก้มหน้าไปดูก็พบว่าเป็นหญิงสาวคนหนึ่ง ใส่กางเกงยีนขาสัน้นเสื้อสายเดี่ยวสีดำหผมยุ่งรุงรังกำลังนั่งกอดเขา่าเล่นไฟแชกอยู่แต่ไฟแชกนั้นเป็นไฟแชกที่ไม่มีไฟทันใดนั่นเองหญิงสาวผู้นั้นก็เงยหน้าขึ้นมาสบตากับวิ์แววตาของเธอนั้นน่ากลัวมากมันมีความอาฆาตแฝงอยู่และมัน เป็นแววตาที่สยองที่สุดในชีวิตของวิทย์ดวงตาของเธอนั้นดำมืดสนิทและออกสีขุ่นๆด้วยความกลัววิท์จึงพยายามจะนำตัวเองออกนอกห้องแต่ขากลับก้าวไม่ออกวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ออกเขาพยายามจะหนีแต่ขาของเขาก็ทำได้แค่เพียงเดินอย่างช้าๆเท่านั้น เขาพยายามเดินออกไปพร้อมหยิบกุญแจและกระเป๋าสตางค์ไปด้วยเมื่อออกมาถึงนอกห้องได้แล้วเขาก็หันกลับมาล็อกห้องอย่างใจเย็นแล้วพยายามเดินออกไปให้ห่างไกลาจากห้องนั้นให้ได้มากที่สุดแต่ในระหว่างที่กำลังเดินหนีไปอยู่นั้นหญิงสาวดังกล่าวก็วิ่งชนประตูจากข้างในห้อง วิทย์พยายามเดินต่อไปเดินหนีลงไปข้างล่างเมื่อวิทย์ลงมาถึงข้างล่างแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกจึงไปสั่งบะหมี่เกี๊ยวกินบะหมี่ชามหนึ่งครับเมื่อกินชามแรกหมดไปแล้วเขาก็สั่งชามที่สองต่อแล้วเขาก็กินชามที่สองจนหมดอีกสักพักอาปแป็กก็เข้าไปทักทาย ไม่ลงมากินดึกจังวันนี้นี่ก็ตีสองกว่ า, วาแล้วนะแล้วแฟนไม่มาด้วยเหรอผมไม่มีครับอ้าวแล้วผู้หญิงที่นั่งด้วยกันวันนั้นล่ะใครครับก็วัยรุ่นหน่อยอะที่ใส่สายเดี่ยวกางเกงขาสั้นวิทก็ทำหน้าตกใจแล้วรีบถามกลับไปว่าเสื้อสายเดี่ยวสีดากางเกงยีนใช่ไหมครับ อาแปะหยุดคิดสักพักก็ตอบไปว่า อ, อ๋อใช่ๆช่ใช่แล้วเออคือนั่นไม่ใช่แฟนผมครับแล้วลูกน้องของอาแปะก็พูดขึ้นมาว่าผมว่าคุค้นๆนะอาแปะใช่ที่ผมลงมาข้างล่างเวลานี้ก็เพราะผู้หญิงคนนั้นแหละครับแล้วทั้งสามคนก็เข้าใจตรงกันแล้วว่า ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนสักผักอาแบกก็ตัดสินใจเล่าให้วิทฟังว่าครั้งหนึ่งที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เคยมีผู้หญิงวัยรุ่นมาอยู่อาศัยกันกับแฟนเธอคนนั้นใส่กางเกงยีนขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวสีดำเหมือนที่วิทเห็นนั่นแหละเธอมีปากเสียงทะเลาะ ก, กันรุนแรงกับแฟนหนุ่ม จนทำให้แฟนหนุ่มโมโหยังมากและพลั้งมือฆ่าผู้หญิงคนนั้นตายคาห้องพักซึ่งห้องนั้นก็น่าจะเป็นห้องพักเดียวกันกับที่วิทเข้าไปเช่าอยู่อปแปะกับวินนั่งคุยกันถึงเรื่องนี้จนถึงเช้าเมื่อวิทได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วพอถึงช่วงเช้าวิทจึงให้คนงานเข้าไปช่วยขนของออกจากห้องนั้น แล้วย้ายมานอนที่บ้านพักบริเวณไซ้งานตามเดิมสัมผัสสยอง